พิสูจทั้งหลายมรณะสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่เป็นธรรมะที่ยังลงสู่อมะตะมีความเป็นอมะตะเป็นที่หวังได้มรณะสติอันบุคคลเจริญแล้วเห็นปัตนนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือตในกรณีนี้ พันกลางวันมาถึงกลางคืนแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเรามแมลงป่องต่อยเราหรือตะขาบกัดเราหรือว่าเราเดินพลาดลม้มลงอาหารไม่ย่อยน้ำดีกำเริบเสมหากำเริบหรือธาตุลมกำเริบหรือว่าพวกมนุษย์ หรืออมนุษย์จะทำร้ายเราความตายก็จะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราดังนี้เถิ น, นั้นพึงพิจารณาสืไปว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอากุศลธรรมที่เรายัางละไม่ได้แล้วเป็นอันตรายแก่เราผู้จะกระทำกาละลงไปในคืนนี้ถ้าเถอะพิจารณาอยู่ รู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่เธอนั้นพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะความอุตสาหะควา ม, มะขะมขมเข็ญความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะละเสียซึ่งบาปและอกุศลธรรมนั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้า หรือศีรษะอันไฟลุกโผงแล้วจะพึงกระทำซึ่งฉันทะวายามะความอุตสาหะความกำหมัม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปสัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันหนก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมอย่างนั้นไม่มีอยู่ ดังนี้แล้วใช้เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นนั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าผ่านกลางคืนมากลางวันแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากเธอพึงพิจารณาสืบไปว่า มีอยู่หรือไม่หนอบาปและกุศลธรรมที่เรายัางละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จากกระทำกาละลงไปในวันนี้แต่เธอพิจารณารู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมอย่างนั้นยังมีอยู่เธอพึงกระทำซึ่งความพอใจความเพียรความอุตสาหะความกระหม่คเม่น ความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียว ก, กันกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฝ่ลุกโผ่งแล้วจะพึงกระทำจันทะวายามะความอุตสาหะความกำห ม, มัเ้นสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันหนก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปากุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทอยู่นั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายมรณะสติอันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่เป็นธรรมะที่ยังลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุโ น, โนมาพบกับท่านผูฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาพบกันวันนี้เราพูดถึงเรื่องของมรณะสติคือความตายนั่นเองถ้าฟังลองฟังพระสูตรที ได้อ่านมาให้ตั้งแต่ตอนต้นรายการบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องตายเรื่องตายโอ้มาพูดทําไมเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลก็เข้าใจไม่ถูกว่าไอ้ความตายที่ความตายที่พระเจ้ชชาพูดถึงพูดถึงเนี่มันคือให้พ้นจากความตายไม่ใช่ว่าแช่งเราให้ตายคําสอนของพระเจ้ชชานะท่านฟังเป็นไปเพื่อพ้นจากความตายคําสอนของพระเจ้ชชานะท่านฟังเป็นไปเพื่อพ้นจากความทุกข์และก็พูดเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ แม่บคนก็คิดใจเข้าใจว่าโอ้คําสองพระามีแต่เรื่องที่ให้ทุกข์ให้ทุกข์ไม่ใช่แต่เป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์โอ้คำสองพุชเจ้าเป็นแต่เรื่องตายเรื่องตายไม่ใช่เป็นให้พ้นจากความตายพวกเข้าใจไม่ถูกเลยมัเลยทําให้ปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยในวันที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติให้ถูกท่านฟังในการปฏิบัติให้ถูกคือต้องเข้าใจให้ถูกก่อนอย่างเรื่องมรณะสติเนี่ยเข้าใจกันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ นะึกว่าตายคิดว่าตายเออฉันคิดว่าฉันตายมาแล้วร้อยครั้งพันครั้งอ่ะดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวในพระสูตรที่พูดถึงเรื่องของมรณสติเนี่ยพูดถึงแค่ความตายไม่ถึงครึ่งเลยนะพูดถึงแค่ว่าปัจจัยแห่งความตายมีมากแต่ส่วนเรื่องอื่นเป็นการให้พิจารณาว่าเออ่อนที่เราตายเราควรจะทําความดีมันไม่ได้จบที่ตายไงท่าฟังนะตายแล้วยังไม่จบตายแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งความตายเหตุแห่งการเกิดอยู่มันจะต้องตายต่อไป แต่บางคนไปคิดว่าเออฉันฆ่าตัวตายแล้วจะดีจะได้พ้นทุกข์มันฆ่าตัวตายแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งความทุกข์มันก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเราจะตายถ้าเรามีเหตุแห่งความพ้นทุกข์อยู่เนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์ได้นียความตายนั้นก็จะเป็นความตายที่ไม่เสียเปล่ายังไงตื่นจะเรียกพ้นจากความตายไนดะ้เอามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความตายซะก่อนแล้วเราจะพ้นจากอะไรได้ทัานผู้ ง, งเราจะพ้นจากอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หมอก็จะรักษาโรคได้เก็เต้องเข้าใจโรคก่อนนะแม่้จะสมมุติว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องแบคทีเรียไม่มีความรู้เรื่องไวรัสไม่มีความรู้เรื่องเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็เอานี่มาเสกเอาน้ํานมากินน้พรมตรงนั้นเอานี่มาแต้มตรงนี้หวังว่ามันจะหายเหมือนพิธีกรรมที่เขาทําสมัยก่อนหมอทำที่เขาอยู่ตามหมู่บ้านบ้านนอกอย่างเงี้ยนะบางทีไม่มีหมอแผนปัจจุบันที่กํารักษาเนี่ยก็เอานั้นมาทาเอานี่มาเน็บ มันที่อาจจะหายก็ได้มันอาจจะไม่หายก็ได้แต่เพราะความที่เรายังไม่เข้าใจโรคนั้นอย่างเต็มทีอย่างเช่นในการเราจะพ้นจากความทุกข์เราจะพ้นจากความตายเป็นต้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งซะก่อนจึงต้องพูดถึงว่าทํำยังไงละ่ะเราจะมาระลึกถึงนะกําหนดรู้ในเรื่องความทุกข์ในเรื่องความตายได้นี่แหละถึงจะถูกเอาเรามาทําความเข้าใจเรื่องความตายก่อนความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ ทำไมมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสภาพที่มันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องเกิดมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดตายบางทีก็มีก็มีตายบางทีก็ดับไปก็มีแตความตายดับไปก็มีความตายเกิดขึ้นมาก็มีในอย่างคนที่ยังไม่ตายเนี่ยคือความตายก็ยังไม่เกิดมาแต่คนที่กําลังจะตายตายพรวดไปตรงนั้ น, นความตายเกิดขึ้นแล้วแตความตายก็ดับไปได้ในเรื่องของความตาย ม, มันดับไป ความตายที่มันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะความที่มันทนอยู่ไม่ได้นั่นแล้วความทุกข์อย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็ยังเข้าใจไม่ถูกต้องร้อยเปเซด้วยนะคนจะตายโอ้ฉันเป็นทุกข์เป็นเดือบเป็นร้อนนันที่เป็นทุกข์เป็นเดือบเป็นร้อนนี่ก็เพราะว่าแม้จะไม่ได้เจอกันนั่นมันเลยเป็นทุกข์น่นไอ้เขาจะไปที่ไหนก็จะไปดีไม่ดีมันเลยเป็นทุกข์บางคนรู้ว่าตัวเองจะไปดีแต่พอว่าจะตายก็ยังเป็นทุกข์เลยซ้ําั่นแล้วมาทําความเข้าใจกันก่อน ทำไมคนที่เขาจะตายเนี่ยเขาถึงมีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากตายมันคืออะไรในประสบการณ์นี้เราไปถามคนที่ใกล้ตายก็ได้หรือคนที่เขาหมอหมอเขามาบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งนะคุณอยู่ได้อีกสเดือนคุณอยู่ได้อีกหเดือนมันอึ้งไปเลยนะช็อกไปเลยอ้าวทำไงดีลราเนี่ยเราอยู่ได้อีกสเดือนอยู่ด้อีกหเดือนมันจะมีความความเรียกว่าหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มนะท่ัง ว, ว่โอ้ฉันจะตายแล้วเนะี่ยมันน่ากลัวยอย่างนี้ทำไมเรามาทำวารวิจัยทำไมนะเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยเปรียบเทียบกับการที่เราไปบางทีบางคนไปเรียนต่างาต่างประเทศบางคนไปเรียนต่างจังหวัดหรือบาคนไปเที่ยวเมืองนอกนะสวัน5วันเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีคุณยังกลับมาได้แต่คุณยังมาเจอกันได้คุณยังพูดคุยกันอยู่ได้คุณยังรู้ความเป็นไปได้ของอีกคนหนึ่งอีกฝ่าย แต่ถ้าเราตายไปแล้วตายจากกันเนี่จะไม่รู้เลยนะํมาม่เข้าไปไหนจะไม่ได้มาคุยเล่นกันอีกจะไม่ได้เจอกันอีกนะคือมันกลับมาไม่ได้แล้วนะคือไปแล้วไม่กลับแน่นอนนั่นะนี่คือความตายอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยเขากลัวกันเอ่อทั้งคนที่อยู่ด้วยทั้งคนที่จะไปด้วยนะคือคนที่บางคนเนี่ยรู้ว่าญาติจะตายนะญาติจะเสียคนที่ เ, เป็นญาติที่ไม่ใช่คนที่ป่วยเนี่ยนะ โอ้ยังเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้มากกว่าคนป่วยเลยซ้ำบางทีโอ้แม่ฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วพ่อฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วลูกฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ตัวเองไม่ได้ป่วยไม่ได้จะตายไปกับเขาด้วยนะแต่ก็รู้สึกเหมือนจะตายไปด้วยนะเพราะมันจะจากกันไงมันจะพลัดพรากจากกันพอคนที่มันพลัดพรากจากกันมันรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนมันเป็นทุกข์อยู่ในใจมันกลัวมีความกลัวอยู่ในใจนะเพราะว่าจะไม่ได้เจอกันจะไม่ได้คุยกันจะไม่ได้พบหน้าข่าตากันอันนี้ ไม่ใช่ตายแล้วเป็นทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์ของคนตายอันนี้เป็นทุกข์ของคนเป็นคุณยังไม่ตายเลยคุณเป็นทุกข์ก่อนแล้วนะเพราะว่ากลัวในการที่จะพะะลัดพรากนะทุกข์ของคนตายจริงๆไม่ได้อยู่ที่คนเป็นนะคนเป็นเนี่ยเขยังเป็นอยู่นะคือหรือแม้แต่ตัวเราจะตายในะสมมุติมีคนคนหนึ่งนะถูกวินิจฉัยเป็นโรคว่าจะตายในสามเดือนห้าเดือนนะสี่เดือนหเดือนนะคนนั้นก็ยังไม่ตายนะยังเป็นอยู่นะเพื่อนๆของเขา เนะี่ยที่ยังไม่ได้ถูกหมอกําหนดวันตายเอาไว้เนวะ่า ก, กี่เดือนก็ตามแล้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นนะั้นไม่ใช่เพราะทุกข์ของคนตายนะแต่เป็นทุกข์ที่เกิดจากความที่มันจะพะัดรากกันแต่เป็นความกลัวอย่างนี้ทีนี้ทุกข์ของคนตายคืออะไรนะเห็นได้ชัดเจนว่าพอตายแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะอะไรๆต่างๆก็ที่เคยมีมาอยู่มานี่มันจะไม่ได้ไปเราจะไม่ได้ออกไปด้วยได้ เสื้อผ้ารถยนต์เงินทองของสวยรูต่างๆที่เราเคยเสพเคยมีมาโอ้มันจะหายไปหมดเลยเนี่มันจะไม่อยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นความความทุกข์ที่เกิดจากความตายจริงๆแล้วอีกประการหนึ่งที่กลัวกันมากก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเรก็จะงงๆว่าชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงตายแล้วจะเป็นยังไงในงสมมุติออกไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะไปเรียนต่อเมืองนอกเป็นปี2ปี แล้วอาจะมีความกังวลว่าจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะไปที่ไหนจะเรียนอะไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะมันก็ยังพอหาทางออกได้บ้างนะถ้าเราหาทางออกหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสอบถามคนนั้นคนนีนะ้ความกังวลใจก็จะลดลงเบาลงแต่ถ้าจะตายเนี่ยนะคนจะตายเนี่ยนะนจะไปยังไงจะจะไปอยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงมันจะงงไปหมดนะพระเจ้าก็จึงบอกว่าความตายเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นทุกข์นะ ม, มันหลายอย่างล เราสามารถสังเกตเห็นจากจิตเราเองก็ได้เราเจอคนที่จะตายเอ๊ะถ้าบอกว่าคนนั้นเราไม่รู้จักเขาแตเขาตายไปเราอย่างขับรถผ่านวัดแตเขาสวดศพกันอยู่เอเราไม่รู้จักคนนี้ว่าเป็นใครเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นเดือบเป็นร้อนด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักดีมากๆเรายิ่งเป็นทุกข์มากนั่นก็เพราะว่ามีความยึดถือกันอยู่ความยึดถือความห่วงแหนความอะไรเอาวนเนี่ย เป็นเรื่องที่ทําให้เราดึงความทุกข์ตรงนี้มันเข้ามาติดคาใจของเราแต่คนอื่นตายแล้วไม่เห็นทุกข์เลยแต่คนนี้ตายเนี่ยจะตายเนี่ยยังไม่ตายด้วยเราเป็นทุกข์แล้วก็ถามว่าคนที่จะตายหรือคนที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่เป็นเพื่อนของคนที่จะตายนี่เราจะเราจะเตรียมการยังไงทายังไงถึงจะถูกเรียกว่าการพิจารณาความตายแล้วก็พิจารณาอย่างที่บอกแตเพราะว่าความตายเนี่ยพอเราก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราไม่รู้เราจะไปไหน แล้วตายแล้วจะไปไหนหรือมันจบเลยหรือเปล่านะเราจึงต้องทําความที่ว่าเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ในเครื่องป้องกันความหวาดกลัวคืออะไรบ้างนะคนที่อยู่ในบ้านปลายชีวิตนะถ้าบอว่าไม่มีเครื่องป้องกันความขาดกลัวนะคือความดีต่างๆเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะฉันจะตายแล้วจะไปไหนนะจะมีความกังวลตรงนี้แตนะ่ถ้าตัวเองมีเครื่องป้องกันความหวาดกลัวนะในที่นี้คือความดีกุศลธรรมต่างๆ มีการให้ทานมีการรักษาศีลเป็นต้นนะเขาก็จะสบายใจได้น่าจะไม่มีความกังวลในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะตายเองบางทีอาจจะเป็นทุกข์น้อยกว่าคนที่รู้ว่าเราจะตายด้วยแต่สมมุติเราจะตายนะเพื่อนเพื่อนญาติญาของเราอาจจะเป็นทุกข์มากกว่านะเพราะว่าถ้าตัวเรามีเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เราก็จะสบายใจละ่ะน่าจะรู้ว่าเราไปดีแน่ละ่ะอันนี้เราก็จะสบายใจระดับหนึ่งแต่อีคนอื่นนี่เขาจะมาทุกข์เพราะว่าจะไม่ได้เจอเราแล้วอย่างนี้เป็นต้น นะอันนั้นจะเป็นทุกข์ที่เกิดจากาทุกอย่างอื่นนะเป็นทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากไม่ใช่ทุกข์เกิดจากความตายแต่ตัวเราจะตายเนี่ยเรามีความสบายใจละเพราะเรามีเครื่องป้องกันความหวัดกลัวไว้แต่ความพลัดพรากมันก็มีเป็นธรรมดาทีนี้เหตุปัจจัยของความตายเนี่ยทู่ฟังมีมากจริงๆมีมากมากๆเลยนะีเศนามารเนี่ยเศนาของมัจจุมาเนี่ยเป็นเศนาที่ใหญ่มากนะคือไอหมูคณะ องแห่งความที่มันจะตายได้มันเยอะแยะมากแล้วคุณเดินไปใ น, นสะดุดทอร์ดาีประตูพัวหัวฝ่าดพื้นตายก็เป็นไปได้ในเรื่องบางที่เรานั่งอยู่ใ น, นตรงนี้ของอะไรไม่รู้หล่นมาจากตู้พัวใส่หัวเราในมุมที่มันมันจะเป็นปัญหากับสมองเราพัวตายก็มีในบางทีเดินเดินไปลื่นหกลม้มก้นจำเบ้าหัวกระแทกพื้นตายก็มีใ น, นเดินลงบันไดโอ้เยอะแยะไปหมดเส้นแห่งความตายกินอาหารบางทีไม่ย่อยเป็นปัญหาอาหารเป็นพิษ เดินไปทางไหนอึกๆขึ้นมาในท้องระบบลําไส้เป็นอะไรปวดนั่นปวดนี่ตายก็มีเส้นเลือดในสมองตีบตันตายก็มีนั่นมันปัจจุบันทันด่วนมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองหรือว่าแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่หายใจวินาทีนี้เนี่ยอีกค้งนาทีสิบนาทีไม่เกินนันคุณตายเลยนชีวิตเราสั้นมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปอยู่นี่มันต่ออายุของเราไปได้แค่6นาที5นาทีเท่านั้นเองถ้าคุณลองหยุดหายใจดูโอ้ยไม่ได้เลย เราจะตายเพราะชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นมากาเสนาแห่งมารเสนาแห่งมัจจุมานเนี่ยมีเศนาอันใหญ่มากนะคุณนั่งทํางานอยู่นะเกิดอะไรปลิวมาเข้าตานะมีปัญหาตาอา้าวลามไปสิ่งอื่นจุดอื่นนะตายก็มีนะมันมีได้หลายอย่างบางทีเรานั่งฟังวิทยุอยู่คนนั่งนั่งพูดอยู่เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องขึ้นมาช็อตขึ้นมาอา้าวมีปัญหาอีก และก็เหตุปัจจัยของความตายมันมีมากแตนะ่ที่พูดนี้ไม่ได้แช่งนะท่านผังเรากําลังทําความเข้าใจเรื่องของความตายนะําว่าความตายมีเหตุปัจจัยมากมีเหตุปัจจัยมากในภายในก็มีภายนอกก็มีเรื่องของกรรมก็มีโอ้จิปาทะนะจะไปนับว่าอะไรที่ทําให้ตายได้เนี่ยคุณดูตามหน้าหนังสือพิมพ์นะี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมาเอาแค่นับนั้นก็นำไปทวนแล้วแตนะ่พุทธเจ้าก็รวมๆเรียกกันไว้ว่าเสนาแห่งมัจจุมาน นาะเสนาแห่งมัจจุมาลเป็นเสนาที่ใหญ่นะพวกเขามันมีเยอะมากนะเสนาแห่งมัจจุมาลมากขนาดนี้นะเราจึงเสียนะเส่ยงมากเสี่ยงมากต่อให้คุณทําประกันชีวิตไว้ก็ไม่ได้ทําว่าคุณจะไม่ตายทําไว้นะั่นคือว่าเผื่อคุณตายนะหรือว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะเห็นปัจจัยของมันความตา ย, ยมีมากที่ผู้เชี่ยวให้พิจารณาต่อก็คือว่าไม่ได้หยุดที่แค่นี้ไม่ได้จบว่าะคิดว่าฉันจะตายฉันจะตายไม่ใช่ แต่ให้ทำความเข้าใจว่าถ้าเราตายนะถ้าเราจะตายเนี่ยเราจะต้องไปไปต่อนะไปต่อเพราะเหตุปัจจัยแห่งความไปต่อยังมีอยู่นะวนอยู่ในสังสารวัฏอยู่แต่ถ้าไปต่อนี่มันจะดีหรือไม่ดีละ่ะมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทําปัจจุบันยังไงแตถ้าเรามีเหตุปัจจัยแห่งการที่จะไปอยู่ในภพที่ไม่ดีนะเช่นบาปอากุศลธรรถถมทั้งหลายนะเราต้องรีบแก้เลยว่าถ้าใจของเรายังมีบาปมีอกุศลธรรมอยู่ นะถ้าตายไปจะไปสู่ที่ที่ไม่ดนะีตายไปจะมีความคิดที่ไม่ดีเราต้องรีบแก้ทันทียกตัวอย่างความฝันก็ได้ท่านฟังนะเราฝันเนี่ยเหมือนเราตายหรือเหมือนเราไปเกิดในภพใหมนะ่ถ้าท่านฟังเคยฝันนะฝันอะไรก็แล้วแต่เถอนะฝันบางอย่างเนี่ยเป็นจริงเป็นจังมากๆเลยเหนะมือนเรื่องจริงเลยเราไปอยู่ในภพนั้นจริงๆตาจริงๆหูจริงๆแต่พอนะเราตื่นมาปุ๊บ ถ้าเราเคยฝันที่เหมือนจริงมากๆเลยน ะ, ะกินอะไรก็เหมือนได้กินจริงๆได้ยินอะไรก็เหมือนได้ยินจริงๆเนี่ยพอเราตื่นมาเนี่ยไอ้ความฝันพวกนั้นหายหมดจริง่งๆหายหมดทีเดียวยิ่งถ้าฝันนั้นเป็นฝันร้ายนะฝันไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเราตื่นมาเนี่ยบางทียังกลัวอยู่เลยใจยังสั่นอยู่เลยหัวใจเต้นตึ๊กๆึ๊กต๊ก ต, ก ต, ก ต, กตกนะคนลุกโู้ตื่นขึ้นมาจะดุ้งขึ้นมานั่นคือเป็นลักษณะว่าไอ้ความฝันเนี่ยเราฝันไม่ดีนะ เป็นความคิดที่ไม่ดีมีอกุศลต่างๆมันยังส่งผลมาถึงตอนที่เราตื่นนะคือตอนตื่นเนี่ยเหมือนเราตายจากฝันนั่นแหละแต่บางฝันฝันดีฝันหวานฝันโอ้ยดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าพอใจตื่นมาโอ้ยเสียดายอยู่ว่ามันแหมทําไมรีบตื่นจริงๆน่าจะฝันต่อแต่ก็ยังมีความสุขใจที่เกิดจากฝันนั้นอยู่อันเนี้ยธรรมดาเลยท่านังเหมือนกันนะความฝันเนี่ยเหมือนเราตายจากความฝันนั้น ใช่ไหมเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นนี่เองแล้วถ้าเราตายจากโลกนี้ไปน่นเราหลับเหมือนเราหลับไปแล้วก็ตายพึ่งไปเนี่ย e, ไม่ว่าจะเสนามานของมัจจุมานตัวไหนก็แล้วแต่นั่นจะตายฉับพลันหรือว่าค่อยๆตายหรือตายจากความแก่ก็แล้วแต่มันจะเหมือนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นตื่นที่ไหนล่ะทีนี้คุณจะไปตื่นที่ไหนคุณจะไปตื่นที่ดีหรือที่ไม่ดีนั่นเหมือนเราหลับอยู่แล้วเราตื่นขึ้นถ้าฝันที่คุณหลับอยู่เป็นฝันดีคุณก็ตื่นมารู้สึก สงบสบายใจน่ะ ด, ดีใจอาจจะเสียใจนิดหนึ่งที่พลาดจากฝันนั้นนะแต่ถ้าเป็นฝันที่ไม่ดีฝันร้ายน่ะเราตื่นขึ้นเราจะมีความกังวลความผวาความหวาดกลัวจิตใจของเราจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าในชาติปัจจุบันนี้เรามีอกุศลธรรมอยู่เป็นความสะดุง้งความหวาดกลัวสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีเราตื่นคือหลับจากชาตินี้คือตายจากชาตินี้ไปตื่นชาติใหม่ไปเกิดในชาติใหม่พบใหม่ จะเป็นพบที่มีความหวาดกลัวมีความเบียดเบียนมีความสะดุ้งอยู่เป็นประจำคืออะไรบ้างสัตว์เดรัจฉานนรกกํำ เ, น, เาานิดเดรัจฉานเปรวิสัยสัตว์นรกนะพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่มีความสะดุง้งมีความกลัวมีความเบียดเบียนอยู่เป็นปกติเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าปัจจุบันอย่างในฝันของเรานะเป็นฝันที่ดีฝันหวานแล้วตื่นะาม า, าก็ยังดีใจแตนะถ้าปัจจุบันเราทําดีเราไปที่ดีแนะ่ เป็นพบที่มีแต่ความชุ่มใจเย็นใจสบายใจนั่นคือสวรรค์เป็นตน้นหรือว่ามนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่เกิดในภูมิที่สูงที่ดีเป็นตน้นคือฝันเนี่ยบางทีมั น, ม, นมันเลื่อนหรูอลังการได้เกินประมาณจากที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะถ้าเราไปเจอของที่เป็นทริปเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับว่าความสุขความอะไรต่างๆที่เรามีผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยมันก็เป็นของมนุษย์ นะทีนี้ถ้าบอกว่าเรารักษาศีลเราอย่างดีนะสร้างกุศลธรรมอะไรต่างๆนะพอเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราไปเกิดในสวรรคนะ์ความสุขโสมณัตของพวกเทวดานะที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยที่เกิดจากกามตาหูจมกูกลิ้นกาย5้าอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศหรูอลังการกว่าโลกมนุษย์นี้มากนะักนะถ้าเราได้ความสุขชนิดนั้นแล้วเนี่ยความสุขในโลกมนุษย์เราก็ไม่อยากจะเห็นด้วยซ้า ทีนี้ถ้าบอกว่าเราทําความดีเอาไว้นะให้มั่นใจเลยท่านฟังนะให้มั่นใจในพระธรรมให้มั่นใจในกรรมดีให้มั่นใจในศีลสมาธิปัญญาให้มั่นใจในสมาธิิความมั่นใจตรงนี้นะก็คือสมาธิิเบื้องต้นนะที่จะพาเราไปสู่ที่ดีได้นะถ้าเราทําดีแล้วเราต้องได้ดีนะถ้าเราจิตใจของเราอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศ ล, ลบางคนก็จะกงังวลว่าโอ๊ยมันจะเจ็บบางคนก็จะกังวลว่าโอ๊ย oh, มันจะไม่ได้เจอกัน ความกังวลนะ่าจะพาคุณไปต่ำนะอย่าไปกังวลในสิ่งนั้นแตนะให้เรามาตั้งระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในะความดีต่างๆที่เราทําไว้แตเช่นเดียวกันในกรณีที่ถ้าเรายังเห็นว่าใจของเรายังมีบาปกุศลและทำอยู่นะเราต้องรีบลักทันทีรีบละรีบทิ้งรีบสลัดออกแตนะถ้ามันไม่ออกไม่เลิกนะพรุทธเจ้าใช้คํานี้ว่าให้กระทําซึ่งฉันทะคือความพอใจที่จะทำนะทําอย่างชนิดที่ ต้องทำไม่ทาไม่ได้นะไม่มีการปะิบัตประกันภูมิต้องทาเดี๋ยวนี้นะมีวายมะคือความเพียรแต่ความกล้าในการที่จะทำนมีกำลังใจทำนะความอุตสาหะความขมักขม้่นความไม่ถอยกลับความไม่ถอยกลับนี่คือถ้ามันไม่ดับไฟนี้ได้นะไม่เลิกน้ามันอยู่นั่นหละนะถ้าจิตเราไม่เอาอกุศลนี้ออกไปได้ถ้าเราจะตายอยู่ไม่กี่นาทีไม่กี่เดือนนี่ละเอามันออกไปซะ ความกังวลเรื่องอืนๆเป็นอกุศลธรรมความกังวลว่าจะเจ็บความกังวลว่าจะไม่ได้เจอเป็นอกุศลธรรมเอามานาาันออกไปซะนะสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเลยนะรื่เอาออกไปด่วนๆเลยถ้าเรามีไฟไหม้ผมไฟไหม้หัวอยู่นี่คุณต้องดับก่อนนะคุณยังไม่ไปกินข้าวก่อนหิวข้าวใช่ไหมอา้าวให้คุณเลือกนะคุณหิวข้าวมีอาหารวางตั้งวางอยู่ตรงหน้าแต่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่คุณจะทําอะไรก่อนโอ้ยมันต้องดับไฟก่อนเนะไปกินข้าวก่อนไม่ได้ เหมือนกันนะถ้าจิตเรายังมีอคติโสตธรรมอยู่นะเรารีบดับก่อนอย่าเพิ่งไปทําอย่างอื่นรีบดับอคติโสตธรรมนะแก้ไขจิตที่มันไม่ดีให้มันดีก่อนไม่เลิกไม่เลิกไม่ถอยกลับนะคือถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกกลางกันนะถ้าจนกว่ามันจะสําเร็จอันนี้คือทาในใจนะท่านฟัง น, นี่คือทา ใ, ในใจเปรียบเทียมให้ฟังว่าในใจเราต้องคิดระลึกถึงเรื่องพวกนี้อยู่เพราะเหตุปัจจัยของเรามีมีมากในการที่จะตายเพราะฉะนั้นวารณสติเนี่ย ไม่ใด้คิดถึงแค่เรื่องตายนะท่านฟังแต่คิดถึงเรื่องที่จะเป็นอยู่อย่างปลอดภัยเปลีนอยู่อย่างเป็นสุขมรณสติไม่ใช่เรื่องความตายแต่เป็นเรื่องของความที่จะเป็นอยู่อย่างเป็นสุขเรื่องของความที่จะพ้นจากความตายเพราะว่าถ้าเราทําจิตให้พ้นให้มีกุศลธรรมแล้วเนี่ยคุณจะไปเป็นอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณเป็นอยู่อย่างเป็นสุขแน่นอนเผลอๆคุณพิจารณาเรื่องอคุเรื่องกุศลธรรมอย่างดีทําจิตให้เป็นกุศลและอกุศลต่างๆให้ดีที่สุดเนี่ย คุณพ้นจากความตายได้อย่างถาวรได้ซ้ํานั่นคืออมะตะธรรมนั่นคือความที่จะไม่ต้องมาตายอีกนั้นนยิ่งดีด้ยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเออเรายังมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ไอ้เจ้าบาปอกุศลธรรมนั้นไม่มีอยู่จิตของเรามีกุศลธรรมอยู่แล้วก็ให้เราอยู่ด้วยปีติและปราโมทนะตามศึกษาในกุศลธรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเราอยู่ด้วยปีติปราโมทนะใจเราสบายอย่างนี้เราพ้นจากที่ไม่ดีแน่ เราจะเป็นอยู่อย่างเป็นสุขแน่แต่ถ้าเรามีปีติปราโมทย์อย่างดีแล้วแต่เราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเราปล่อยวางได้มีความคลายกำหนัดะมีใจสบายพิจารณาอย่างแยบคายแล้วปล่อยวางได้เพื่อเพลินเราพ้นจากความตายได้โดยซ้ำนต่มรณสติเนี่ยการพิจารณาถึงความตายต้องพิจารณาอย่างนี้ให้เป็นเหตุเพื่อที่จะให้เราพ้นจากความตายให้เป็นเหตุที่เราจะให้เราเป็นอยู่อย่างเป็นสุขนึกชื่อว่า <is> <down> พิจารณาความตายนะเอาความตายเนี่ยมาเป็นเหตุนะให้เราอยู่อย่างเป็นสุขเอาความตายมาเป็นเหตุให้เราพ้นจากความตายได้ในวันนี้ครับพเจ้าพาระไปบุญภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนไอโศกกทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมรณสตินะเป็นกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตอย่างหนึ่งที่พุทเจ้าให้ทําให้ปฏิบัติได้ถ้ายังไม่เข้าใจเท่าฟังเขียนมาถามอย่าหลังเล่ยอย่าสงสัยช่องทางการติดต่อของรายการของเรามีได้อยู่ เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีหรือที่เพียวธรรมะ c o m p u r e d h a m m a c o m ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตายให้ถูกอย่าไปคิดว่าเราจะตายเราจะตายแต่ให้ไม่ประมาทในความตายด้วยการที่ทำจิตให้ดีทำจิตให้เป็นกุศลเราจะเป็นอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็พ้นจากความตายได้ กับเจ้าพระภายบุ็ขอคาาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพร